จเจริญพรวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งใครรู้บ้างว่าสำคัญยังไงนาวันวันเกิดทันไหมเป็นวันอะไรโรกาวินาท วินาศกรรมเหมือนกันนะตอนนั้นได้เห็นข่าวไหมท่านเห็นข่าวไหมรู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจโยมได้ดูไม้มดูทีวีไหมดูนะเรียกว่าเป็นวันโลกาวินาศบางคนก็เรียกอย่างนั้นนะบางคนก็เรียกว่าวันมหาวินาศกรรม แล้วแต่ว่าโลกของใครบางคนบางกลุ่มก็ดีใจบางบางกลุ่มก็เศร้าใจแต่ในทางทางทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ว่านี่หมายถึงผู้ใหญ่ในโลกทั้งสาม ความรู้สึกว่าโลกวินาศเนี่ยโลกเนี่ยมีอยู่สองแบบสองแบบใหญ่ๆโลกที่เป็นลูกโลกเนี่ยเ อ, อิร์ทเนี่ยนะมันจะวินาศด้วยไฟด้วยลมด้วยน้ำโลกจะวินาศสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าหนึ่งกับก่อนจะโลกวินาศสักแสนปีพระพรมเนี่ยจะมาเตือนชาวโลก เตือนมนุษย์นี่แหละอีกแสนปีโลกจะพินาศแล้วนะให้เตรียมตัวทำทาสมาธิทำฌานเพราะว่าไอภูมิที่อยู่สำหรับมนุษย์เนี่ยมันจะหายไปพักหนึ่งให้ทำฌานเพื่อไปเป็น อ, อภัสราพรมสักพักหนึ่งแล้วพอมันเกิดลูกโลกใหม่ก็มาก็ากินดินกลายเป็นมนุษย์ใหม่ นั่นวินาทแบบหนึ่งนะแต่วินาทอีกแบบหนึง่งเราจะมาไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าโลกวินาทแบบที่เป็นลูกโลกเอิร์ธเนี่ยนะมันก็คงอีกนานถึงแม้ก็จะทํานายว่าปีหน้ามันจะมีอะไรพีนาทพีนาทนีนะมันก็คงยังไม่ถึงกับลูกโลกระเบิดไปหรอก ที่เสียพิทที่จะพิณาสที่พระพรหมท่านถึงกับอุทานและทนไม่ได้พระพรมทนไม่ได้เลยนะขนาดนั้นเลยนะมันพิณาสขนาดไหนคือพิณาสตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเออแปลกไหมทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆหม่ไมมีอะไรพิณาสตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วสเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ แล้วท่านก็ปรารบธรรมะที่ท่านบรรลุว่ามันละเอียดละออมมากยากที่จะมีใครสักคนจะรู้ตามได้แล้วท่านก็ปรารพว่าจะยังไม่แสดงธรรมแค่ตรงนี้แหละพระผมรู้สึกว่าโลกจะวินาศแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาตั้งสี่อสงไขยกระแสนกับ แล้วตัสรู้แล้วด้วยแต่ไม่ปารบจะแสดงธรรมเนี่ยท่านรู้สึกเลยว่าโลกนี้วินาศแล้วโลกนี้ทาไมถึงวินาศเพราะว่าแสงสว่างแสงสว่างของโลกไม่ใช่สว่างแบบดูกระตานี่นะแสงสว่างทางจิตใจนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ไม่ส่งต่อไม่บอกต่อ สัตว์โลกทั้งหลายก็จะจมอยู่ในความมืดของกิเลสของอวิชชาจะจมอยู่ในทุกข์อีกนานชาวโลกทั้งหลายคือพวกเรารวมทั้งอาตมาด้วยจะย่อยยับพินาศหรือวินาศต่อไปวินาศจมอยู่ในความทุกข์ต่อไปอันนี้น่ากลัวน่ากลัวขนาดที่ว่าพระพรหมทนไม่ได้ พระผมทนไม่ได้ต้องเสด็จมาเพื่ออาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอาราธนาตอนที่ท่านอาราธนาเนี่ยท่านบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่สามารถที่จะฟังธรรมของพระองค์แล้วเข้าใจได้ได้มีอยู่ขออาราธนาพระองค์ โปรดจงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเหล่านั้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้พระพรมจะไม่ลงมาด้วยความที่พระพุทธเจ้าทรงหนักในเรื่องของพระกรุณาแม้ไม่ไม่มีพระพมอาราธนาเดี๋ยวท่านก็แสดงนะแต่ท่านหยุดไว้พักหนึ่งหยุด้วยพักหนึ่งเพื่ออะไร เพราะว่าโลกก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยชาวโลกทั้งหลายต่างนับถือพระพมนับถือพระพมว่าเป็นผู้สร้างโลกนะท่านหยุดไม่นิดหนึ่งเพื่อให้พระพรมมาแสดงตนเป็นลูกศิษย์นะคราวนี้ท่าน <c oughs> ท่านไปได้แล้วเพราะว่า ผู้เลิศในโลกของของคนในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติมาเนี่ยทุกคนนับถือพระพรหมทุกคนกราบไหว้บูชาพระพรหมสรรเสริญพระพรหมว่าเป็นผู้สร้างโลกเลิศในโลกผู้เลิศคนนั้นน่ยมาคุกเข่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมที่ท่านหยุดรอตรงนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ เพื่อที่จะมายกย่องตัวพระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้เลิศแต่พระองค์หมายถึงว่าให้พระพรมเนี่ยยกย่องบูชาพระธรรมตัวสําคัญคือตัวพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วจะมาบอกต่อ <c oughs> วันนี้ก็ได้มาเพื่อจะให้โลกมันไม่วินาศค <c oughs> นะงไม่มีใครมารอบ ทำวินาสกรรมเลยเถินีครูบาอาจารย์ชมมานะชมมาข อ, อนําเก็บมามาบอกต่อนิดนึงว่าท่านมาที่นี่แล้วท่านเห็นพัฒนาการนะพัฒนาการของโยมที่นี่นะท่านบอกว่ามาครั้งแรกเนะ่ะดูแล้วโยมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเท่าไหร่นะคนคนที่มาใหม่ๆส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจแต่มาครั้งที่สองแล้วรู้สึกว่า พัฒนาการดีมากนะใครใครที่มาแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่เขารู้เรื่องให้มาบ่อยๆนะมาบ่อยๆ <c oughs> ฟังพระไม่รู้เรื่องเลยฟังโยมรู้วยกันก็ได้นะฟังบุญมาลีหรือใครอ า, อาจารย์กำพลนะอาจารย์สุรวัตรเนะี่ยอธิบายธรรมะคนละแนวแต่เรื่องเดียวกันนะโยมรนะับชอบฟังมุมนี้อาจจะชอบฟังของอีกมุมหนึ่งของแต่ละคนเนะี่ย ก็จะทำให้เรานะเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโลกวินาศนะโลกมันยังไม่วินาศด้วยตัวของมันเองในปัจจุบันนี้สิ่งที่เขาขับเครื่องบินชนตึกเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือพวกที่พลีชีพนะพลีชีพทำลายตัวเองด้วยทาลายคนอื่นด้วยนะ พรีชีพคือชีวิตนี้ยอมพลีเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาตมาก็มาน้ึกว่าเอ๊ะเราก็ชีวิตนี้เราก็ต้องตายเหมือนเหมือนกันทุกคนจุดหมายปลายทางของชีวิตคือตายเราก็เกิดมาเพื่อพลีชีพด้วยกันทุกคนเราจะพลีชีพนี้เพื่ออะไรกันบ้าง ลองดูว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเราพลีเวลาในชีวิตนี้ไปเพื่ออะไรกันบ้างแล้วเราจะได้รับผลจากการที่เราพลีไปนั่นแหละเราพลีไปเพื่อสแสวงหาเพื่อสร้างสรรค์กิเลส <c oughs> <c oughs> ให้มันมากๆเข้าให้มันซับซ้อนมากขึ้นเราก็จะได้รับผลของกิเลสที่มันซับซ้อนวุ่นวายมากขึ้น เราพลีไปเพื่อโลกเราก็มีโลกทุ่มเข้ามาให้เราแบกเราพลีชีวิตไปเพื่อศึกษาเราก็จะได้ความรู้มากขึ้นสิ่งที่เราจะศึกษาแล้วเราจะเบามากขึ้นก็คือศึกษาในสิ่งที่พระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้าท่านแสดงที่ท่านตัดสินใจว่าเออ เราจะแสดงธรรมตอนที่พระพุทธเจ้ารับอาราธนาพระพรมเนี่ยท่านไม่ใช่อยู่ๆจะรับอาราธนาท่านพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่พระพรหมท่านท่านบอกขึ้นมาว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่ว่าสัตว์ทั้งหลายหมายถึงว่ามันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะเทวดาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสในดวงตาน้อยๆเนียน่ยมีอยู่ ขี้ตาอย่างไม่มากกันนะท่านก็พิจารณานะว่า ม, มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเปรียบเหมือนกับบัวบัวที่เกิดในคโคลนตมเกิดจากคโคลนตมดอกบัวบางดอกยังมุดคโคลนอยู่บางดอกกอ็อยู่ท่ามกลางน้ำบางดอกก็เริ่มปลิ่มๆน้ำบางดอกนีพ้นน้ำขึ้นไปแล้ว รอเพียงแสงอาทิตย์เท่านั้นเองพอดอกบัวต้องแสงที่มันก็จะบานนี่เป็นธรรมชาติของบัวท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านไม่ได้พิจารณาเพียงแค่บัวที่พ้นน้ำนะทาไมจะเห็นแค่ว่าเออมีบัวพลนน้ำและแสดงธรรมท่านเห็นด้วยว่ามีบัวที่อยู่ปริมปริน้ำมีบัวอยู่ในน้ำและมีบัวที่อยู่ในโคลนด้วย ท่านเห็นประโยชน์ของการที่ท่านแสดงธรรมแล้วบัวในโครนเนี่ยได้ประโยชน์ท่านจึงแสดงธรรมไม่ใช่ว่าธรรมะของพระองค์เป็นประโยชน์เฉพาะบัวที่พนน้ำแล้วฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องอยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นรู้เรื่องเลยสภาวะอะไรที่ท่านแสดงมาไม่เข้าใจเลยไม่เคยเห็นเลย แต่จําได้นั่นมีประโยชน์สําหรับเขาแล้วมีประโยชน์สําหรับเขาแล้วคือชาตินั้นเขาอาจจะไม่บรรลุมรรคผลแต่สิ่งที่เขาจําได้เนี่ยมันเป็นตัวนําร่องเป็นประโยชน์เขาในอนาคตในชาติต่อๆไปประโยชน์เพียงนั้นพระองค์ก็แสดงแล้วจะจะเห็นได้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งที่ท่านแสดงแล้วมีคนบรรลุธรรม ไม่ใช่ว่าบรรลุแสดงครั้งนี้แล้วจะต้องมีเป็นพระอาหารหันต์แสดงครั้งนี้แล้วจะต้องมีพระโสดาบันอนะไรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เข้าฟังแล้วรู้สึกเข้าใจเพียงแค่เข้าใจยังไม่บรรลุธรรมรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านแสดงเนี่ยไงของที่ขวมไงของที่คว ม, ควมเปิดให้เห็นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรศึกษาอะไรไม่ควรศึกษาไม่ควรเสียเวลากับมัน นั่นเป็นประโยชน์สำหรับเขาแล้วพระองค์เห็นประโยชน์อย่างนี้จึงแสดงธรรมนี่คือสิ่งที่ที่ประกาศได้เห็นว่าพระองค์มีพระกรุณาแค่ไหนไม่ได้เลือกลูกศิษย์ไม่ได้เลือกลูกศิษย์ว่าจะต้องเอาเฉพาะแบบหัวใบใบเก่งๆเท่านั้นหรือว่ามีแววว่าจะต้องบรรลุธรรมเท่านั้น สอนแม้กระทั่งพวกที่ยังจ ม, จมๆอยู่ในโครนให้เขามีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นมาแม้ชาตินั้นจะไม่บรรลุมรรคผลก็ตามทีนี้เราวันนี้นายวันวันนายวัน <c> ว <oughs> ันเราก็มาทำตัวไม่ให้เป็นพวกก่อวินาศกรรมกับตัวเองคือไม่พรีชีพ ตัวเองเพื่อไปก่อวินาศกรรมเราพลีชีพไปก่อวินาศกรรมยังไงคือปล่อยให้กิเลสมันหมักหมมกิเลสมันเหมือนระเบิดติดมัดตัวอยู่เราค่อยๆแกะระเบิดพวกนี้ออกจากตัวมาดูซิว่าเราเป็นนักพลีชีพประเภทไหนพลีชีพเพื่อศึกษาหรือพลีชีพเพื่อที่จะไปไปไ ต, ตายๆกัน เราเกิดมาก็ตายใช่ไหมเราเกิดมาเนี่ยเราพลีชีพเพื่ออะไรกันบ้างสิ่งพระเจ้าเปิดโลกขึ้นมาแล้วพรหมบอกว่าโลกไม่วินาศแล้วเนี่ยท่านเปิดอะไรขึ้นมา <c oughs> สิ่งที่ท่านเปิดเบื้องแรกตอนที่ท่านท่านเริ่มคิดว่าจะแสดงธรรมท่านมองหาผู้ที่เหมาะสมนัน่นนะท่านหา คนที่มีสภาพจิตที่พร้อมพร้อมพอในประสบการณ์ชีวิตในตั้งแต่ตอนที่ท่านออกบทท่านเห็นดาบทอยู่สองท่านคืออาราละดาบทกับอุทกดาบททำฌานได้ถึงขั้นที่7และขั้นที่8เนี่ยท่านเห็นว่าสองท่านเนี่ยมีกิเลสน้อยมีสภาวจิต พร้อมพอที่จะฟังทำได้แล้วก็บรุเหลวด้วยเร็วกว่าปัญจวัคคีย์นะแต่พอระ ล, ลึกถึงแล้วพอระ ล, ลึกถึงอาราละดาบทเทวดาก็มากะสิบข้างหูเลยบอกว่าอาราละดาบทตายไปแล้ว7วันพร้อมกันนั่นเองพร้อมกับที่เทวดาบอกยานท่านก็มีรู้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่อศัยเทวดานะ ยานท่านก็รู้ขึ้นมาทีว่ า, า, าลาระดาบฏตายไปแล้วเจ็ดวันท่านก็อุทานในใจว่ า, า, าลาระดาบฏถึงความเสื่อมใหญ่แล้วนี่ก็เสื่อมแล้วนะวินาก็วินาไปแล้วนะนี่ก็เสื่อมมานึกถึงอีกองคีกองหนึ่งท่านหนึ่งคืออุตตกาดาบฏอุตตะดาบฏเนี่ยได้ฌานแปดก็เก่งมากกว่ า, า, าลาระดาบฏอีก แล้วก็พร้อมพอที่จะฟังทำแล้วก็บรรลุทำได้ทันทีพอนึกถึงเทวดาก็มากระซิบอีกอุตตะกดาบดตายไปแล้วเมื่อวานนี้พร้อมๆกับเสียงคือไม่ได้อาศัยเสียงเทวดายานท่านก็รู้ทันทีว่าอุตตกดาบดเนี่ยตายไปแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้อาศัยเทวดานะแต่เทวดาเนี่ยปรารถนาดีพอพอทราบว่าท่านระ ล, ลึกถึงใครแล้ว เทวดาก็มาบอกเทวดาก็มาบอกแบบเดียวกับพระพรมอพระพรมพอรู้ว่าอุตจาระจำแสดงธรรมก็มาคุกเขาอาาธนาแลพ้พร้อมๆกันนั้นท่านก็มีกรุณาขึ้นมาในใจท่านเองเลยเรียกว่าเป็นพรหมวิหารของท่านเองขึ้นมาแล้วท่านก็ไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมจะแสดงธรรมกับใครในเมื่อสองคนที่ว่าพร้อมพอเนี่ย ไม่อยู่ซะแล้วเสื่อมถึงความเสื่อมใหญ่ความเสื่อมใหญ่เลยนะหนังสือบางเล่มใช้คําสะใจมากบอกชิบหายซะแล้วชิบหายเลยนะชิบ ห, นะหายนะฉิบหายนะคนไทยเรียกชิบหา ย, ยนะคือสิ่งสิ่งมีค่าที่น่าจะได้อยู่แล้วแค่เอื้อมมือหยิบเนี่ยนะนะถ้ามีชีวิตต่ออีกสักวันหนึ่งเนะี่ย ได้แน่เลยคืออรหันตมรรคเนี่ยนะกลับไม่ได้เป็นความเสื่อมอย่างใหญ่ใหญ่มากเลยและจะต้องไปเป็นพระพรหมที่ไม่มีรูปพระพรหมที่ไม่มีรูปนี่คือไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากจะไปปรากฏอะไรให้เห็นก็ไม่เห็นจะไปพูดอะไรให้ฟังก็ไม่ได้ยินเสื่อมใหญ่ถึงความเสื่อมใหญ่ ธรรมะไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยได้แต่เข้าฌานอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นกว่าจะออกจากฌานกว่าจะเสื่อมจากฌานตรงนั้นมามาเกิดใหม่เนี่ยอีกหลายกับโลกนิดแตกดับแตกดับเกิดแล้วแตกเกิดแล้วแตกดับเนี่ยไปอีกไม่รู้กี่ครั้ง <c oughs> แค่พรมธรรมดาธรรมดานี่ก็อายุสามสิบกว่ากับ มรูปประพรมธรรมดานีน ะ, ะรูปประพรมนี่ของโหของลำบากเขาจึงเรียกว่าโลกเกิดดับครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับประมาณหนึ่งวันของพระพมโลกเกิดดับเนี่ยนะพระพมเวลามองโลกเนี่ยจะมองเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนอะไรเมนมด เวลามองเนี่ยไม่ได้มองโลกนะมองกาแล็กซีนี่กรูบาจารย์เล่าให้ฟังนะเวลาพระผมมองมองมาเนี่ยไม่ได้มองแค่โลกหรอกมองกาแล็กซีเห็นกาแล็กซีเป็นกลุ่มแสงเท่านั้นเองกาแล็กซีนะไม่ใช่ไม่ใช่จักรวาลเลนะไม่ใช่ดวงอาทิตย์ด้วยนะเวลามองมาความใหญ่ของพระผมมัขนาดไหนความใหญ่ของพระผมเนี่ยเวลามองมองมาเนี่ยเห็นสโคปเป็นกาแล็กซีเลยแต่กาแล็กซีนั่นแหละนะ เวลาพระพทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยสว่างกว่ากาแล็กซี่พระภรมมจึงต้องสนใจรู้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็มุ่งเข้ามาหาที่โลกนี่แหละที่เป็นจุดเล็กๆที่ถ้าเทียบกับกาแล็กซี่แล้วมันเล็กมากเลยนะพระพรหมก็มาหาได้เพราะถึงแม้โลกไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่มีแสงสว่างของดวงจิตของพระ เ, เจ้าเนี่ยนำทางให้พระพรมมมาดูมามาถูก เ <c oughs> ป็นเล่าเรื่องอะไรอภินิหารมากเกินไปแล้วเป่า<笑>มาถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมดีกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะพระองค์เลือกแล้วว่า阿าระดาบทอัปตะกาดาบทไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ดูซิว่าใครเหมาะสมใช่ไหมเป็นบุคคลต่อไปก็มาเลือกถึงปัญจวัคคีย์จริงน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ ระดับนี้เนี่ยเรียนพุทธประวัติอยู่แล้วนะท่านก็ไปแสดงธรรมครั้งแรกนะเล่ารัดๆเลยดีกว่านะไปสู่ถึงธรรมะจักรสิ่งที่ท่านแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังนะเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจนะเพราะว่าท่านแสดงให้กับมนุษย์ฟังคือปัญจวัคคีย์เนี่ยปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ไดิ ไม่ได้มีชื่อเสียงดีเด่นในเรื่องของการทำฌานเหมือนกับอ า, าลารดาบทกับอุทกดาบทก็คล้ายๆกับพวกเรานี่แหละแต่ท่านอาจจะมีสมาธิดีกว่าเรานะสิ่งที่ท่านแสดงเนี่ยท่านแสดงความสุดโต่งสองด้านสุดโต่งสองด้านเนี่ยคือด้านหนึ่งแบบเพลินไปกับการมาคุณเรียกว่าการมาสุ ข, ขันริการโยก เพินไปกับกาบมะคุณท่านบอกว่าทางนั้นเป็นทางอันเลวเป็นทางที่สําหรับผู้คลองเรือน <c oughs> ไม่ใช่ทางที่จะไปสู่การบรรลุเป้าหมายคือความพ้นทุกข์อีกทางหนึง่งเป็นทางที่เรียกว่าทรมานตนทรมานตนให้ลําบากเปล่าส่วนใหญ่ก็จะอธิบายไปถึงเรื่อง การยืนบยืนยืนกลางกองไฟกลางหิมะหรือนอนบนตปูเพื่อนะ <c oughs> คืออธิบายในแง่ของการทรมานตนแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์อธิบายมาท่านชี้ให้เห็นว่าถ้าปัญจวัคคีย์นึกแค่ว่าการมาสุขคติการนโย ค, คือพวกชาวบ้านที่มีครอบครัวอตตากิละมะถานโย ค, คือพวกฤาษี ที่ทรมานตัวเนี่ยถ้ามันแค่สองอย่างนี้แล้วปัญจวัคคีย์คิดนึกถึงสองพวกนี้ปัญจวัคคีย์จะไม่บรรลุธรรมเพราะจิตที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องเป็นจิตที่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาจะเกิดปัญญาได้ต้องเป็นจิตที่เห็นสภาวะธรรมที่เป็นปรมาตรธรรมข่าวที่แล้วใครมาบ้างปรมาตรธรรมเนี่ย คือสภาวะที่พ้นจากคําพูดเป็นสภาวะที่พ้นจากคาพูดเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วจิตไปเห็นสิ่งที่จิตไปเห็นในขณะที่เห็นนั้นเรียกว่าเป็นสติ <c oughs> ถ้าปัญจวัคคีย์ฟังแล้วคิดตามจะไม่ไม่รู้เรื่องถ้าปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเห็นตาม ปานเจ้าพกีจะฟังรู้เรื่องนะสิ่งที่พระโกนทัญญะมีความแตกต่างจากสี่องค์ที่เหลือนะครูบาอาจารย์ท่านอธิบายว่าความแตกต่างคือสี่องค์ที่เหลือเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเรื่องของความคิดคิดตามคิดตามว่าการมาสุขัดและการนิยคเป็นยังไง อตกลิลามาถานโยกเป็นยังไงก็คิดคิดคิดแต่สิ่งที่ปัญจวัคคีย์องเดียวหรือองค์เดียวที่เห็นตามคือปราโกนธัญะเนี่ยเห็นสภาวะนั้นที่ที่เป็นจริงๆการที่ท่านเห็นการที่ท่านเห็นเห็นตามเลยนะมันไปตรงกับที่ท่านอธิบายถึงว่าปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้น <c oughs> จะเกิดได้3วิธีเคยได้ยินหมปัญญา3มวิธี <c oughs> ปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดปัญญาที่เกิดจากการภาวนา3อย่างนี่เอาตามที่เคยจำเคยจำนี่คือปัญญาจากการฟังคิดและภาวนา แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียงไม่ได้เรียงแบบนี้นะท่านเรียงปัญญาจากการกา ร, อ ะ, ร อ, าอะไรขึ้นก่อนการคิดคนคิดว่าถ้าคิดแล้วจะเกิดปัญญาท่านเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอามาถึงตัวฟังคือคิดแล้วถ้าคิดไม่ออกก็ไปอ่านหนังสือหรือไปฟังครูบอาจารย์คนจะคุ้นเคยกับ2 อ, อย่างนี้ คิดเอาคิดเอากลับไปฟังเขาฟังฟังฟังแต่ถ้าไม่ถึงตัวนี้คือตัวที่สามคือภาวนาคือเห็นสภาวะแท้ปัญญาที่แท้จะไม่เกิดปัญญาตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอาปัญญาที่ไปเรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือจบอะไรด็อกเตอร์พวกนี้นะแต่เป็นปัญญาที่พาพ้นถุปัญญาที่จะไปเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรา และใจนี้ไม่ใช่เราปัญญาที่เห็นว่าสภาวะทางต่างๆเกิดดับไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคงอยู่กับที่ไม่ได้เป็นทุกข์บังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นปัญญาอย่างนี้เนี่ยคิดเอาไม่ได้ฟังแล้วไปนักง่านเนงึบๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกพวกพวกอะไรพวกกิ้งกา อาตมาก็เป็นเหมือนกันนกาฟังคุบาอาจารย์ก็กิ้งกาเหมือนกันมันเอาความคิดไปจับเพื่อให้เกิดปัญญาตัวนี้ไม่ได้ต้องเห็นเอาตัวที่เห็นเนี่ยปัญญาจากการเห็นเนี่ยภาษาบาลีจังเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนามาจากศัพท์ว่าปัตสนะแปลว่าเห็นเห็นสภาวะนั่นเลยแท้ๆเลย ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาคือเห็นเห็นสภาวะก่อนตัวเห็นสภาวะเนี่ยครูบาอาจารย์แนะนําโดยการฝึกสติแรกๆเนี่ยแรกแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีหรือควรจะทําให้ได้ควรจะเห็นก็คือเห็นสภาวะ รูปธรรมหรือนามธรรมที่ปรากฏที่ปรากฏกับกับใจของเรารูปธรรมที่มันเป็นร่างกายนะเห็นเป็นรูปจริงๆไม่ใช่มือเราไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นรูปเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวไปมาหรือเวลาเรานั่งหายใจก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นก้อน ก้อนอะไรก้อนธาตุสักอย่างหนึ่งที่ห่อหุ้มเหมือนเป็นถุงหนังที่มันกระเพื่อมด้วยแรงลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะหรือว่าเห็นว่ามันเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมการเห็นร่างกายเป็นธาตุเนี่ยอาจจะดูยากมันต้องใช้สมาธิอยู่เหมือนกันสิ่งที่ท่านชวนให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือดูนมามธรรมตัวนมามธรรมเนี่ย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเรามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมใช่มนามธรรมนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันไม่ใช่แค่กาอย่างเดียว <c oughs> ท่านให้มาดูนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดูง่ายง่ายกว่าที่คิดคนเรานึกว่านามธรรมดูยากเพราะมันดูด้วยตาไม่ได้เราดูมือเนี่ยเห็นเลยเห็นกับตาเลยถึงแม้จะถอดแันก็ยังเห็นแต่ใจ ไม่ต้องไม่ต้องลืมตาดูก็เห็นได้หลับตาก็เห็นจะเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในใจของเราเวลารถมันผ่านมาเมื่อกี้นี้มีใครรู้สึกไหมว่าใจมันกระโดดไปรู้สึกไหมว่าใจมันเคลื่อนไหวนั่นแหละคือเห็นสภาวะที่มันเคลื่อนไหวไปเวลาเราโกรธเรารู้สึกได้ไหมว่าเราโกรธ รู้สึกได้ไหเวลาเรามีราคะพวกหนุ่มๆ ห, หรือผ่านหนุ่มมาแล้วที่ยังไม่ยอมไม่ยอมแกนะ่รู้สึกได้ไหมว่ามีราคะเกิดขึ้นเวลามีเพศตรงข้ามผ่านเข้ามาในสายตาหรือนึกขึ้นมาในใจนนะมีราคะมีโทสะมีความหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านหรือบางทีอาจจะมีกุศลเกิดไม่ใช่ดูเฉพาะอากุศล น, นะกุศลเกิดก็ ด, ดูได้แต่กุศลเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเลยไม่ค่อยได้ดู <laughs> ท่านจริงแนะนําให้ดูสิ่งที่เป็นอกุศลที่มันเกิดบ่อยนะมีตราคะก็รู้ราคะดับไปก็รู้มีโทสะก็รู้โทสะดับไปก็รู้มีโมหะคือมันหลงๆโมหะจะดูยากหน่อยแล้วโมหะดับไปก็รู้ฟุ้งซ่านตัวนี้เป็นตัวโมหะที่ดูง่ายขึ้นฟุ้งซ่านหรือหดหูหดหูก็เป็นโมหะที่ปนๆกับโทสะ หดหูหดหูนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันปรากฏขึ้นแล้วก็ต้องรู้มันสิ่งที่เราจะไปรู้ง่ายๆคือสภาวะที่เป็นนามธรรมพวกนี้เกิดบ่อยเกิดบ่อยนะให้ดู <c oughs> พอดูตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นการเปิดโลกเปิดโลกคือ โรกภายในของเรา เ, เกิดความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเหมือนเราหลับอยู่พอเราเห็นสิ่งพวกนี้ปรากฏขึ้นมากับจิตแท้ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่พระเจ้าจึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลก บาลีว่าอะไรจะไม่ได้แล้วขออภยัยนะสติโลกาสมิชาคาโรเคยได้ยินไหมนะสติโลกาสมิชาคาโอต้องอ้างบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเราโม่โม่สติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติคือเห็นสภาวธรรมนะเห็นสภาวธรรมไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ฉันเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ฉันเกิดอะไรขึ้น ไม่เอาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวตามหลังตัวรู้แท้ๆคือรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจิตเนี่ยมีสภาวะที่เกิดดับอยู่เสมอนะเกิดดับต่อเนื่องจิตตรงนี้สมมตินี้เป็นจิตเกิดขึ้นมาดับไปส่งผลให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นคนเราส่วนใหญ่จะสนใจสิ่งภายนอกสนใจข้างสิ่งภายนอกครูบาอาจารย์จะเรียกว่า จิตส่งออกนี่นะส่งออกไปภายนอกสนใจสิ่งข้างนอกจิตก็จะออกไปพอใจออกไปแล้วไม่พอใจออกไปแล้วรักออกไปแล้วโลภออกไปแล้วเกลียดออกไปแล้วมีตัณหาอะไรเงี้นะออกไปออกไปไม่เคยสนใจเลยว่าพอออกไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็สนใจอีกออกไปแล้วก็ออกไปสนใจอย่างนี้นะสิ่งที่ท่านแนะนําที่ว่าจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสติ คือเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วเกิดรักขึ้นมาแลดับดวงใหม่ที่เกิดขึ้นแทนที่จะไปดูให้มาดูตัวนี้ให้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กับจิตเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้กับจิตเมื่อกี้ออกไปแล้วรักแล้วดับดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปสนใจว่าเห็นอะไรหรือรักใครให้มาดูว่าเมื่อกี้นี้มีจิต ที่มีความรักเกิดขึ้นผสมอยู่จิตที่มีความรักเกิดขึ้นผสมอยู่หรือไปดูคนนี้แล้วเกิดมีความกโกรธมันหลอกกว่าเราอะไรเงี้ยนะหลอกกว่าไหมเกิดไม่พอใจคนนี้มาทาบรัศมีเราอะไรเงี้ยนะไม่พอใจไม่พอใจคือไม่พอใจข้างนอกนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมา แทนที่จะไปสนใจว่าเมื่อกี้โกรธใครหรือไม่พอใจอะไรรู้เพียงว่าเมื่อกี้นี่มีจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นพร้อมๆกันมีจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีไม่มีคำพูดนะจิตดวงที่รู้ตรงเนี้ยไม่มีคำพูดรู้แต่ว่ามีจิตที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วจิตที่รู้เนี่ยดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมา ไปสนใจเรื่องอื่นต่อหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติแท้ๆนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะเผลอไปรู้เกิดมาใหม่กูไม่เอาละกูเพ่งประคองเอาไว้อยากดีมึงอย่าหลงไปนะเราเป็นอย่างนั้นไหมแล้วมันไม่รู้หรอกว่าจิตตัวรู้คือเป็นสติเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใครใครแยกออกตรงนี้แยกออกไหมมีหลงไปนะแล้วไม่รู้แล้วเกล่จิตดวงใหม่จิตดวงใหม่เนี่ยอยากดีรู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วประคองเอาไว้บังคับเอาไว้มึงอยู่นิ่งๆสิมึงอย่าไปโลก้าไม่ดีนะอะไรเงี้ยนะโกรธก็ไม่ดีนะฝึกใหม่ๆจะเห็นแต่หลงกับบังคับเอาไว้หรือเพ่งเอาไว้ หลงแล้วบังคับหลงแล้วบังคับทั้ ง, ท, งทั้งที่มันมีสติเกิดขั้นกลางเลยนะแต่มองไม่ก็เห็นเรากับตัวสติเนะี่เป็นอย่างนั้นไหมแต่มันมีแล้วนะแต่มันมีแล้วจิตเกิดการเรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วว่าเมื่อกี้นี้เกิดโลภเมื่อกี้เกิดราคะเมื่อกี้เกิดโทสะรู้แล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นตัวนี้ ทำบนะ่อยๆดูบ่อยๆตอนที่ดูบ่อยๆเนี่ยให้มาสังเกตตัวปัจจุบันว่าเกิดบังคับแล้วเกิดเพ่งเอาไว้แล้วเกิดประคองเอาไว้แล้วตัวที่ประเขาประคองหรือบังคับหรือเพ่งเอาไว้เนี่ยนะเป็นตัวที่เราพลาดเพราะอยากดี <c oughs> สิ่งที่เราพลาดตรงนี้ถ้าเรามองไม่ทันตัวที่เราประคองหรือบังคับหรือ อยากดีตรงนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติที่ดีสามารถประคองจิตให้มันดีอยู่เสมอได้และเมื่อกี้นี้พลาดไปไม่ดีนิดเดียวแล้วเราก็ประคองใหม่ให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดผิดพลาดอีกแล้วคือประคองตัวที่ผิดพลาดนี่คือว่าเกิดจากเราไม่วางใจเป็นกลาง จากการที่เพียงแค่เห็นหลักการหลักการคือว่ารู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือคำของครูบาอาจารย์เราดูจิตก็ไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่ด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นกลางด้วยเห็นสภาวะธรรมแล้วละ่ะนี่ผ่านขั้นแล้วนะคือเริ่มตื่นขึ้นมาเห็นแล้วแทนที่จะไปดูอยู่ข้างนอกอย่างเดียว เห็นแล้วเมื่อกี้จิตเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นกลางแลวมันพลาดยังไงไม่เป็นกลางคือมันพลาดตรงที่ว่าพอเห็นแล้วเกิดอยากดีอยากดีแล้วเข้าไปจัดการจิตด้วยการบังคับให้มันอยู่นิ่งๆบ้างหรือบังคับให้มันไม่เลว็ว <c ười> คือ รักไปไม่เลวโกรธไปไม่ขอไยรักไปเกินไปนี่มันเลวโกรธเขาเนี่ยมันเลวเนี่ยนะโลภมากมันเลวเนี่ยก็พยายามสอนตัวเองอย่างเง้การเข้าไปแทรกแซงอย่างเงี้ยทำให้จิตมันไม่แสดงตัวเองออกมาให้เห็นกลายเป็นรู้สึกว่าจิตนี้บังคับได้แล้วมันร้ายแรงยังไง <c oughs> มันไปบัง <c oughs> มันไปบังความรู้ตัวหนึ่งมันไปส่งเสริมความรู้ผิดอีกตัวหนึ่งความรู้ผิดที่เรารู้กันมาอยู่บ่อยๆรู้อยู่เสมอๆคือว่าเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้บังคับได้เราจริงว่ารู้สึกว่าเป็นเราบังคับได้รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ให้สุขเราด้วยให้สุขเราได้ บังคับได้ตัวนี้ทำให้ไม่คลายจากความรู้สึกว่าเป็นเราแต่ถ้าเราปล่อยปล่อยอิสระให้กับใจมันแสดงออกเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไ ป, ประคองไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะจะเลวแต่นี่หมายถึงว่าในขั้นตอนของการดูจิตนะการปฏิบัติการฝึกจิตไม่ใช่การแสดงออกนะ ในทางจริยธรรมอีกเรื่องนะเลวอย่าทําในทางจริยธรรมไม่เลวอย่าทําแต่ในทางที่มันเป็นปรากฏขึ้นในใจเนี่ยเลวลองปล่อยให้มันให้มันแสดงออกดูแต่เราไม่ทําตามมัน <c oughs> ให้มันแสดงออกแล้วเราเพียงแค่คอยดูเพียงแค่คอยดูไม่บังคับพอรู้ว่ามัน มันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราโลภไปเราโกรธไปหรือเราเรามีกิเลสขึ้นมาในใจมันมีกิเลสเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยเป็นขณะที่เราเผลอเผลอส่งออกไปคิดขณะนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ขณะที่เป็นกุศลอยู่แล้วแต่เมื่อเราปล่อยมันแต่มีสติอยู่จะเห็นเลยว่า มันทำงานกับมันเองได้แล้วพอมีสติแล้วมันก็ดับให้ดูดับแบบเราไม่บังคับจะรู้สึก ว, ว่ามันไม่ใช่เราจะเห็นได้แต่ถ้ารู้สึกว่าต้องบังคับมันสักหน่อยแล้วมันจึงจะดีตอนนี้จะไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เราจะเห็นว่าเออกูเก่งกูบังคับใจได้เข้าใจหตัวนี้คือเป็นตัวที่จะเป็นเขาเรียกว่า ต้องฝึกต้องฝึกให้ใจมันมีความตั้งมั่นให้ใจมีความตั้งมั่นเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่ามีสัมมาส ม, มาธิในขณะที่เรารู้สภาวธรรมเนี่ยเรียกว่ามีสติสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือจเจริญสติต่อไปด้วยให้รู้ทันต่อไปว่าเราเริ่มแทรกแสง รู้สภาวะแล้วว่าส่วนใหญ่ที่เรารู้เนี่ยมันจะไปรู้ที่เป็นกิเลสที่มันไม่ค่อยดีแล้วเราก็จะไปบังคับให้มันดีมีบ้างเหมือนกันที่รู้สึกว่าวันนี้ใจผปร่งโปร่งสบายสบายอยากจะประคองเอาไว้มีบ้างเหมือนกันมีไหมเคยมีไหม <c oughs> หรือว่าไม่เคยเลยมีแต่มึนๆถึมๆ <c oughs> คงจะมีบ้างนะเห็นมีะยักหน้ารู้สึกว่าแหมวันนี้ดีอยากจะประคองยิ่งวันไหนจะไป หาครูบาาจารย์เนี่ยอยากไปโชว์ท่านอะไรเงี้ยนะวันไหนคิดอย่างนั้นนะไม่ดีเลยวันนั้นถ้าเจอคาจารูคบาจารย์ครูบาจารย์ไม่อยากชมเลยหาพยายามหาเรื่องชมก็ชมไม่ถูกเลยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือรู้ทันว่าใจเรารักดีใจเราโลภอยากดีแล้วเข้าไปแทรกแซง รู้ทันช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ถ้ารู้ทันถึงตัวโลกอยากดีรู้ไปเลยนะอันนั้นถือว่ารู้ได้เร็วถ้ารู้ทันตรงนี้ไม่ได้ให้มารู้ทันอีกทีว่าเกิดอาการบังคับแทรกแซงเข้าไปแล้วห <c oughs> รืออีกทีก็คือหลับวิบาก อ า, าการบังคับแทรกแทรเนี่ยมันจะเกิดความหนักหนักแน่นๆ่นความอะไรอะ่ะไม่โปร่งเบาให้รู้ทันใจที่มันไม่โปร่งเบาตอนนั้นอีกทีหง <c oughs> ทันไหมเนี่ยพอได้ไหมสิ่งที่เราฝึกกันมาเนี่ยนะเราฝึกกันมาเนี่ยมันทําได้แล้วคือตัวสติตัวสติรู้ทันแล้วว่าสภาวะของเราเนี่ย เมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นให้บ่อยๆให้มันเกิดบ่อยๆขึ้นอาจจะไม่ทันตรงที่ว่าสติเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางทีนะมันไปมันข้ามไปละเพราะว่าจิตมันเกิดดับไวมากจากเมื่อกี้นี้หลงไปรู้ทันเกิดจิตดวงใหม่มันไม่รู้ทันหรอกว่าเมื่อกี้นี่ยมีความรู้ทันเกิดขึ้นแล้ว เกิดประคับประคองเกิดการแทรกแซง <c oughs> ให้รู้ทันตัวนี้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ที่กำลังฝึกนะมักจะม า, าพลาดตรงนี้นะเ <c oughs> ดาเดาเอานะเดาจากประสบการณ์ตัวเองห <c oughs> ลงหลงเนี่ยใครๆครก็ฝึกได้คนปกติที่เขาไม่เป็นนักภาวนาเนี่ยเขาก็หลงหลงกันไปนะแต่พอเริ่มภาวนาหลงแล้วรู้ แล้วรู้เนี่ยไม่ได้รู้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้หรือตามหลักการของการปฏิบัติและ ก, การงองการปฏิบัติคือรู้รู้เฉยๆหลวงปู่สังวานรู้จักหลวงปู่สังวานไหมหลวงปู่สังวานเข็มมะโกนะท่านก็ไม่เป็นคนรู้หนังสือมากนะอ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะเขียนหนังสือไม่ได้เป็นเป็นลูกชาวนาไม่ใช่ลูกชานะจนๆด้วยนะลูกชาวนาที่รวย ต่ไม่ส่งเรียนหนังสือเพราะว่ากลัวไปจับดินสอแล้วมือจะด้านดูสิลักกลัวขนาดไหนกลัวจับดินสอสมัยก่อนดินสอมันเป็นอะไรกระดานชนวนอ่ะกลัวจะไปลําบากบอกบ้านเราร่ารวยแล้วมีกิ น, ม, กนมีใช้พอแล้วเนี่ยเมื่อต้องไปเรียนหนังสือก็มีกินอย่างเงี้ยไม่ส่งเรียนหนังสือผมปู่สังวานโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รู้หนังสือแต่พอโตขึ้นมาเริ่มเริ่มฝึก เริ่มฝึกกรรมฐานเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังรู้สึกว่าเห็นอสุภะของภรรยาภรรยาป่วยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นอสุภะของภรรยาแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายอยากจะออกบวชออกบวชไปแล้วเนี่ยไปฝึกอยู่อยู่ป่าอยู่ป่าช้าแล้วก็มีพระองค์หนึ่งคือพระมหาทองท่านเป็นมหาท่านก็ สงสารว่าพระคือหลวงปูสง่สังวานเนี่ยอยากจะปฏิบัติแต่อะไรไม่มีคนสอนท่านก็เอาอุตส่าเอาหนังสือเกี่ยวกับกรรมฐานไปอ่านให้ฟังอ่านไปสอนไปสอนแบบอ่านได้ฟังจนหลวงปูสง่สังวานเนี่ยทำตามหนังสือทําได้ได้ผลได้ผลแล้วก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาทักทัก อาจารย์ได้อาจารย์ลงมาแล้วถูกทักเฮ้ยเรามาสอนเนี่ยนะเราไม่คิดว่าจะทำได้หรอกเพียงแค่สงสารสงสารพระองค์นี้ว่าถูกเหมือนถูกทอดทิ้งทิ้งอยู่ในป่าช้าเนี่ยนะก็ไปสอนไปไปมากลับทำได้ผลเกิดมีศรัทธาขึ้นมาทำบ้างลุงปู่สังวรเนี่ยจับเคล็ดได้อย่างหนึ่งว่าให้รู้เฉยรู้เฉยเฉย เวลาท่านสอนนะท่านท่านสอนง่ายๆรู้เฉยรู้เฉยแต่อาตมาฟังไม่เข้าใจมาเข้าใจทีต้องอีกนานเลยต้องมาต้องมาฟังหลวงพ่อประโมโนอีกทะจึงจะเข้าใจท่านว่าอ๋อมันที่ท่านว่ารู้เฉยรู้เฉยนี่คือรู้อย่างไม่แทรกแซงนี่นต้องมีภาษาแบบแบบเราบ้าง <c oughs> คือรู้สภาวะตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคนี้เราจรึิงจะพอเข้าใจแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูด้วยต้องดูด้วยเพราะปัญญาในพุทธศาสนาอย่างที่บอกแล้วจัดด้วยการเพียงคิดหรือฟังไม่ได้ต้องเห็นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเห็นเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะนั้นจะเป็นรูปธรรม คือเป็นกายนี่ก็ได้หรือเป็นนามธรรมคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจก็ได้เป็นรักเป็นชังหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจให้รู้เอารู้เอาเฉยๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปตั้งท่าก่อนไม่ต้องไประแวงระวังด้วยให้มันเกิดขึ้นแล้วรู้เกิดขึ้นแล้วรู้เพราะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ ตราบใดที่ยังไม่ตายตราบใดที่ยังไม่ตายสภาวะจะมีอยู่เสมอๆให้เราเห็นเราจะเห็นหรือเปล่าท้นนั้นเองเราจะพลีชีพนี้เพื่ออะไรท่านั้นเองเราจะพลีชีพนี้เพื่อหลงไปเรื่อยๆหรือจะพลีชีพนี้เพื่อเรียนรู้น ะ, นะนะกลับมาถึงเรื่องพลีชีพจนได้นะ <c oughs> เราจะพลีชีพนี้เพื่ออะไรนะพลีชีพนี้เพื่อเรียนรู้ เพื่อจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือพรีชีพนี้เพื่อจมไปเรื่อยๆเพื่อเกิดดับในโคลนตมต่อไปหรือจะเพื่อที่จะพุ่งดอกบัวของเราเนี่ยให้มันโผล่พ้นน้ำแล้วก็รับแสง <c oughs> ก็ลองดู <c oughs> พอพอจะเข้าใจไหม <c oughs> อยากจะเตือนอาไว้นะวันนี้นะนายวัน <c oughs> โลกาวินาศโลกไม่วินาศแล้วนะเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเพียงเราเปิดใจรับนะเราพลีชีพเพื่อเปิดใจรับอย่าพลีชีพนี้ทั้งชีวิตให้สูญไปกับกิเลสเราเราคุ้นเคยกับกิเลสมามากแล้วนะไม่ต้องพลีชีพกันมันอีกชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็ได้ชีวิตนี้ขอ ขอพลีเพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างนะเพื่อที่จะพัฒนาดอกบัวในใจของเราขึ้นมาโผล่โผล่พ้นน้ำมารับแสงจริงๆเรารับแสงกันแล้วละ่นะเรารับได้กันอยู่แล้วมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ไม่ธรรมดาแล้วละ่ะไม่ใช่บัวในตมแล้วละ่นะดูแล้วลนะ <c oughs>